ต่อเนี้ไปตั้งใจสมาทานสินก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆแต่คิดว่ามาภูเจกกอก็หลวงพ่อก็คงได้เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับสินเรืออธิบายเรื่องของสินให้แก่คณะทายาิโยมลูกหลานที่ยังไม่ได้เคยบวชในพระพุทธศาสนาพูด ง, งานได้ แตาว่าผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็ไม่ได้หนักใจเพราะคงรู้แล้วว่าสิ่งละธรรมสินห้าของพระพุทธศาสนานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อเคยไปนัสถานที่ต่างๆหรือหลวงพ่อเป็นผู้อยู่ภายในเป็นพระสงฆ์ได้สังเกตเห็นคณะทายาทโยมเมื่อกล่าวอาราธนาสินอย่างเมื่อกี้เนี่ย ที่เป็นประธานสงฆ์ก็ได้ให้สินแก่นาาธนัทตาญาิโยมทุกครั้งก็ไม่ได้อธิบายเรื่องศีลและธรรมหรือว่าสินห้าที่พวกเราจะรับไปเนี่ยรับไปเพื่ออะไรเราเมื่อเมื่อมีสาธารณพิธีเมื่อมีพิธี ม, ม, ม, มีพิธีการอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้พอทำไปแล้วก็จบไปก็ไม่มีใครอธิบายว่า พิธีกรรมที่เราทำไปนี่คืออะไรมีแต่ว่าเข้ามาพระหาพระกไหวพระรับศีลแต่ศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรพวกนั้นพวกนี้ไม่มีใครอธิบายให้ชัดเจนที่หลวงพ่อได้สังเกตมาเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ต่างๆเมื่อหลวงพ่อได้ขึ้นนั่งเป็นหัวหน้าอย่างวันนี้ที่จะได้ขึ้นทร ม, มาศอย่างนี้ หลวงพ่อจะได้บายเรื่องศีลให้แก่คณะัทธทาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังบางทีพ อ, เ, อเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนแล้วก็ต่อมัธยมประถมปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกถ้าหาาผู้ที่มีอันจะกินผู้ที่ร่ำรวยพูดง่ายๆพอออกจากหมู่บ้านของตนเองหรือว่าออกจากโรงเรียนของตนเอง หรือว่าออกไปเรียนหนังสือก็ส่งเข้าโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนศาสนาเคลตดอย่างเนี้ยก็ห่างเหินจากพระพุทธศาสนาทั้งที่พ่อแม่ก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่พอไปอย่างนั้นไปเรียนอย่างนั้นก็อยู่ในศาสนาพุทธที่สือก็ห่างเหินไม่ได้ศึกษาเรื่องหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่พ่อแม่ก็เป็นผู้นับถือเริ่มใสในพระพุทธศาสนาพอต่อมาพอใหญ่ขึ้น พอจบมัธยมก็เข้าปริ ญ, ญาตรีเมื่อเรียนปริ ญ, ญาตรีก็ห่างเหินไปในระดับหนึ่งจากนั้นถ้าพวกผู้มีอันจะกินผู้ร่ํารวยกระส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเมื่อไปต่างประเทศก็ยิ่งห่างเหินไปอีกไปศึกษาและวัฒนธรรมของต่างชาติมีมากมายหลายๆอย่างผลในจุดก็จบปริ ญ, ญาตรีโทเอกพอเอกเข้ามาแล้วก็ ยิ่งห่างเหินหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพราะไม่ได้ศึกษาผลที่ฉุดก่เห็นว่าประเทศไทยของเราด้ยอยในการพัฒนาในการไม่ทันก้าวไม่ทันโลกเขาเรื่องเศรษฐกิจพวกเราก็เลยดูถูกประเทศชาติของตนเองแต่ตามไม่จริงพระพุทธศาสนานี่มีคุณค่าอย่างมากถ้าพวกเราได้ศึกษาให้ถีท่วนแล้ว เพราะหลักของพุทธศาสนาคือศาสนาเหตุผลเอาเหตุผลมาพูดกันเพราะนั้นหลวงพ่อมานึกถึงจุดนี้หลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆหลวงพ่อจะได้ท้าวความหรือว่าแนะนำเรื่องศีลธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้เข้าใจเรื่องศีลห้าถ้าหากว่าทุกคนเขารบในศีลห้าหรืออย่างน้อยก็เขารบในศีลห้า ถ้ามากกว่า น, นั้นก็เป็นผู้มีสินห้าประเทศชาติบ้านเมืองโลกในยุคนั้นสมัยนั้นชุมชนของพวกเราก็จะมีแต่ความพร่มเย็นเป็นสุขอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตคนที่เข้าอยู่ในเรือนจำเข้าคุกเข้าตารางทั้งหลายที่พวกเราให้ไปถามดูว่าคุณเข้าคุกมานี่เข้าอยู่ในเรือนจำนี่คุณทำอะไรอันดับแรกหรืออย่างน้อยก็ผมเคยตีหัวเขาเคยทาร้ายร่างกายเขา เคยคิดจะฆ่าเขาเคยอะไรมากมายคนส่วนใหเคยฆ่าคนมาเคยฆ่าสัตว์มาเคยฆ่าช้างป่ามาอย่างนี้สรุปก็คือเรื่องของฆ่าคือสินผิดสินข้อที่หนึ่งสินละ้าของพระพุทธเจ้าข้อที่สองก็พระพเจ้าเคยขโมยของเขามาก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศินและธรรมของพระพุทธศาสนาสินธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรา ได้ศึกษาดูแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีเป็นศีลที่คุณมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อโลกในยุคนั้นแต่พวกเราขาดศีลธรรมและขาดศีลห้าแล้วโลกยุคนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้อธิบายหรือว่าแม่แนวให้แกข้ารัช า, า ญ, ญ, ญาติโยมได้ฟังอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำว่านโมก่อน เพียงแต่ว่านาโมคํานี้พวกเราท่านทั้งหลายก็คงไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมจึงว่านาโมนาะโมแปลว่าอะไรเพราะพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วจะว่านาโมคืออะไรอันนี้ก็พวกเราก็คงไม่เข้าใจอกีกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายว่านะโมตัสสะพระคัมภโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะ ความแปลและความหมายก็ว่าข้าไปเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรากล่าวถึงสาครั้งนโมสาครั้งแปลอย่างนี้ทั้งสามครั้งทําไมจึงเ ร, เราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะพุทธศาสนาท่านให้ลําลึกถึงพระคุณพระคุณเนี่คือเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไม่ให้ลืมบุญคุณเพราะที่เราจะรักษาสินหานี้เราได้รับ พระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระธรรมเมื่อได้ตัดรู้พระธรรมพระท่านก็ำนำพระธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกมาแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นพระธรรมสินห้าที่เราจะรับไปเนี่ยคือเป็นความคิดเป็นผู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติ ในเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าพวกเราจึงได้รับมานำมาประพฤติปฏิบัติก่อนที่เราจะรับนํามาประพฤติปฏิบัติเราก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนคือระลึกถึงพระคุณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นคือเออนี่ยโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอย่างที่ได้กล่าวจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสรณงคัจฉามิ ดุติยามปีพุธทธังธรรมังสังขังสรณนังคัตฉามิตติยามปีพุธทธังธรรมังสังขังสระนังคตฉามิข้าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาร ะ, ะเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระ อ, องค์เองได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นรู้จักรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักหมดทุกอย่างเป็นสยามผู้รู้แจ้งอกจากนั้นพระองค์ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมา 84% 00มพระธรรมคันจากนั้นพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่สินห่านก็คือพระธรรมคือคําสอนจากนั้นพระธรรมคําสอนนี้มีมากมายถึง 84% 00มพระธรรมคันจากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลบรรพบุพ ร, ร, บรุษของพวกเราจึงได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นหลักยึดทางด้านจิตใจยึดเป็นพุทธทางส้ำมังเป็นสรณงคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งนี่แหละความเป็นมาจากนั้นก็อ พระที่เป็นประธานผงสงอย่างหลวงพ่อที่จะเป็นผู้นำก็กล่าวสินเป็นข้อข้อเมื่อเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาณะเป็นที่พึงแล้วแล้วก็บอกกล่าวเป็นสินเป็นข้อข้อปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเราก็กระไรไม่มีอะไรเพราะเราฆ่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อเขามาฆ่าเรา ถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานพวกเราเราเสียความรู้สึกอย่างมากนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมท่านเป็นธรรมมาธิปไตยท่านเป็นประชาธิปไตยท่านเป็นผู้มีมเมตตาต่อทุกคนต่อสรรพสัตว์ทุกตัวในโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันโลกทั้งโลกจะหากความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายคิดฆ่ากัน ถ้าเราคิดค่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาก็คิดค่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราพวกเราก็มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความระวังระวังต่อกันอันนี้แหะคือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีการขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยของเราขโมยของเล็กน้อยก็ยังทุกข์ใจเล็กน้อยแต่ขโมยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เ, อเราก็ทุกข์ใจมากขึ้นถ้าขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทย เราก็ยิ่งทุกข์ใจขึ้นไปตามลำดับลาดับเพราะอไรเพราะว่าเขามาขาโมยของเราถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องขโมยไม่ใช่ของเล็กน้อยทำให้คนเราทุกอกทุกข์ใจเพราะขาโมยเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งและข้อสองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าสรุปแล้วก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเราไปทำให้แกเขาเขาเดือดร้อนถ้าเขาไม่ทำให้แกเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปทำให้กันให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละคือสิทธิ์ข้อที่สามกาเมสุมิช า, าราวาระมณีสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็รักสังวนหัวแหนของเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมีให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันการไปสู่ขอตามธรรมเนียมประเพณีอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลก มันมีอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราไปไม่เคารพสิทธิ์ของเขาไปใช้อำนาจปูยี่ปูยำอำนาจเถื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติของเขาเขาก็เสียใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเขามาทำให้เราเช่นนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้นึกถึงใจเขาให้นึกถึงใจเราอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละคือสินข้อที่สามให้ครบสิทธิกันก็ต่างคนก็ต่างมี ข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะีอยากโกโหกต้มตุนหลอกลวงเขาคำว่าโกหกคำนี้มันกว้างขวาง ม, มันมีมากมายเอาของ เ, อเลวไปบอกว่าของดีเอาตะกรวไปเรียกไปบอกว่าทองคำเอาเช็คเขียนใส่กระดาษแล้วไปว่าว่าเช็คมีเงินก อ, อนนี้สุดเป็นเช็คเด้งอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นตระกูลโกหกท้งนั้น คือความไม่จริงความไม่จริงทั้งหลายทั้งปวงนนะ่คือโกหกถ้าเขามาโกหกเราเราก็เสียใจถ้าเขาเราไปโกหกเขาล่ะเขาก็เสียใจอย่างมากเพอรอเผยเสียเงินคำทรัพสมบัติเพราะเขาได้ให้เรามาโดยที่ไม่เต็มใจหรือว่าเพราะเขาถูกต้มตุนหลอกลวงถูกโกหกเขาจะเสียใจนานเท่านานบางบางคนก็ช้ำอกช้ำใจจนช็อกตายก็มีเพราะถูกโกหก ต้มตุนหลอกหลวงนี่แหละศินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนเราถ้าหากว่าดื่มสุราทุกวันนี้คำว่าสุราหรือเมลัยอันนั้นคือยุคสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้สองข้อเข้าพวกคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนยาไอ มีมากมายทุกวันนี่สรุปแล้วก็คือเมื่อเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองปั่นป่วนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อแม่ผี่น้องลูกหลานใครก็ได้เพราะคนขาดสติขโมยใครก็ได้ลาลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าก็เป็นศินอันตรายไม่แพ้ข้ออื่นๆเหมือนกัน เพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าสมควรแก่ใครจะให้จะเป็นผู้รักษาศีลนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายต้องการความสงบร่มเย็นเป็นถุกพวกเราควรจะมีศีลเงินศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามีศีลห้าแล้วไปนสถ า, านที่ใดความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราไปนสถ า, านที่ใดก็ต่างคนก็ต่างมีศีลธรรม ก็สบายใจถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลธรรมไม่มีศีลห้าแล้วไปที่ไหนต้องทังกวาดตกแวงว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในหนทางที่เราจะไปนี่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจัทวาญาติโยมทุกๆท่านเมื่อรู้คุณค่าของศีลธรรมแล้วขอขอให้พวกเราสมาทานหรือเคารพศีลของพระพุทธเจ้าถึงเราจะรักษาศีลไม่ได้ แต่ให้เคารพเถิดทูลเออสินของพระพุทธเจ้าที่เราได้ฟังมาแล้วมีคุณค่าจริงแต่เรายังรักษาไม่ได้ในขณะนี้แต่เอาเถอะอีกสักวันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ามีเวลามีโอกาสข้าพเจ้าจะสมาทานศิลและธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้และสิลอั น, นิห้สงศินในปัจจุบันก็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแลาอั น, นิห้สงสินคุ้มครองในอนาคต พราะพระพุทธศาสนาท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะ่ท่านบอกว่าใครก็ตามถ้ามาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชินเกิดพบหน้าชาติหน้า ช, ชีวิตจะสั้นตายเร็วเกิดมาแล้วก็ตายถึงจะเกิดในสถานที่มั่งมีเงินคำทรัพย์สมบัติไม่อดอยากบำรงดีขนาดไหนก็สู้กรรมไม่ได้กรรมคือการกระทาในอดีตเนี่ยมันให้ผลออชีวิตคนนั้นก็จะตายเร็ว ถ้าปักใครไม่ถึงกับฆ่าสัตว์แต่ลังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์ทุพพลภาพเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะเข้าโรงพยาบาลร่างกายไม่ปกติเพราะอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอันในสงสินี่คุ้มครองไปถึงพบหน้าชาติหน้าด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตยาธิโยมทุกคนเขารบในศิลป อ, อเมื่อทําดีในพบนี้ชาตินี้แล้วชาติต่อไปออก็จะมีแต่ความสุขเพราะ อันนี้สงสินคุ้มครองต่อไปเมื่อเราคณะชาญ า, าติโยม ร, รู้คุณค่าของสินแล้วต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานิปัญจสิกขาปธานิสิเลนะสุขติันติสีเลนะโคการสัมปทาสีเลนะนิพุติันติตัสมาสีลังวิ ก่อนที่จะฟังเทศหรือว่าฟังธรรมเทศนาให้รู้จักการสถานที่การสถานที่บุคคลอัตถันยุตาาตาอัตตันยุตตาปริจันยุตต า, าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วพวกเราให้รู้จักการสถานที่สถานที่อย่างนี้เราควรทำตนอย่างไรการอย่างนี้เราควรจะทำตนอย่างไร เมื่อเข้ามาหาสมาครมนี้เราควรทำตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้ความคิดทั้งหมดทา้งว่าพวกเราไปนักสถานที่ใดทำตามมัถหาใจทำตามอำเภอใจมันขวางเออคือมันขวางเพราะนั้นขอให้พวกเราท่นทานทั้งหลายนะให้อยู่ในความสงบเพราะการคู่และการเทศของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระป่าทแท้ๆนะหลวงพ่อเด พูดให้ให้ใครต่อใครฟังหลวงพ่อเป็นพระป่าถอดด้ามให้เป็นสมเด็ของหลวงปู่ล่าเนี่ยตั้ง8ปีอยู่ป่าตรงพงไพ่แล้วก็เป็นพระหนึ่งพรรษาอยู่ที่นี่ออกจากนั้นก็ไปอยู่ที่วัดหลวงปู่จามออกจากนั้นก็ขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดดอยแม่ปังอยู่กับหลวงปู่แหวนอยู่ในป่าดงอีกเหมือนกันดงลึกต่างหากออกจากนั้นก็มา จำพรรษาที่ห้วยทรายกับหลวงปู่จามรินเป็นรอบที่สองรวมแล้วเป็นสี่พรรษาออกจากนั้นก็บพรรษาที่หก็เข้าไปอยู่องค์หลวงตามหาบัวจนถึงพรรษาที่18นีอยู่กับหลวงตาตั้งแต่ปี2512จนถึง2525 25นหจะได้ออกจากปัปตานีท่านเชื่อว่าใบละเป็นพระป่าทั้งรุ่นเออพวกเราท่านทั้งหลายที่มาฟัง หลวพ่อชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไปในพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นเวลานานนานตั้งแต่อายุส1บ2็ดสบสองปีจนเดี๋ยวนี้หัอายุ 66, 66ปีหกปีเต็มเมษานยี่สเจ็ดเมษา66ปีเต็มย่างส7เจดแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ใช่พาน้อยปนุ่มนะอาจาญยตาคา ย, ายมลูกหลานนะเป็นพระที่อายุมาก แก่พอสมควรแล้วพรรษาปีนี้ก็เป็นพรรษา47บวก8เข้าไปอีกลูกหลานว่าเท่าไหร่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายฟังเลยว่าหลวงพ่อจะมีอะไรในใจหรือมีอะไรที่จะแนะนํำคณะชาตาิญาติโยมลูกลูกหลานได้ฟังนะทาว่าฟังแล้วก็จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัด จะปั่นเท่าความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังฟังอัดฟังทำฟังหลักเหตุผลก็จะได้รับความผองใสสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการ เ, เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะจินตนาไคว่หุ่ทบทว น, วนกันกรองไตรตรองสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน อันนี้ว่าจินตามยปัญญาเกิดปัญญาอีกแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนํามาพิจารณาการคลองไตรตรองอทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเพราะฉนั้นสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังและจะเฉลียยฉลาดจะรู้เรื่องทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายใจของเรานี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้คณะจต่าญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองค์ให้ตั้งใจฟังนะโมตัสสะปะปุวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังขะระมุตตะมันติติวันนี้นับว่าเป็นวันล้ำลึกถึงองค์หลวงปู่ลากของพวกเรา องหลวงปู่เป็นที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อที่กำลังแสดงธรรมถือว่าหลวงปู่ล่าเป็นบุภาการีฝ่ายธรรมะท่านโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเป็นบุภาการีในชวนให้ร่างกาย ของหลวงพ่อเกิดมาแล้วก็ท่านแนะนำสั่งสอนเป็นเบือ้องต้นคือช่วยทางโลกท่านแนะนำบอกกล่าวหลวงพ่อว่าอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้หลับนอนอย่างนี้เออเรียกจีบป่านะ้าอายอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นบุพการีที่ท่านเป็นผู้มีพระกุตแต่พอมาเข้ามาบวชเป็นสมมเนหลวงปู่ท่านก็จะสอนสอนหมดทุกอย่างในฝ่ายธรรมะ ตั้งแต่นโมตัสสะอ่าอะรหังสวะ า, าโตสุปฏิปันโนจากนั้นกแนวความคิดต่างๆเรื่องหลักธรรมข้าในเรื่องกฎระเบียบศีลธรรมจริยธรรมหลวงปู่เป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือว่าหลวงปูล่ลาภที่หลวงพ่อรักเคารพนับถืออย่างยิ่ยงเพราะท่านให้ธรรมะท่านเป็นผู้ให้ใกาเนิดแห่งธรรมะ แก่เราจนพอชอนสอนจนถึงความหลุดพ้นจากอาสวัคคิเลสทําอย่างไรหลวงปู่ท่านได้สอนหลวงพ่อไว้หมดจากนั้นหลวงพ่อได้ออกจากท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวจากนั้นก็ไปถึงไปอยู่กับองค์หลวงตา เ, เป็นเวลาถึงสิบสีปีอยู่โลวงป้าอยู่หลวงตามหาปัวรู้สึกจะนานกว่าทุกทุกเหตุออกจากนั้นก็ได้ ไปตั้งวัดป่านาคําน้อยนี่อยู่ทูบาจานแต่ละองค์หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ห่างเกินเวลาเข้าไปหาทูบาจานก็ถึงจะออกไปหาผููเจ้าข้อแห่งนี้หลวงพ่อกลับมามีความจําเป็นเข้ามาปีถึงหลายครั้งแต่ส่วนที่องค์หลวงตามหาวัวนั้นเกือบว่าเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะท่านบางทีท่านก็ไปที่วัดบางทีก็ต้นเดือน ปลายเดือนต้นเดือนปลายเดือนอกลางเดือนอมากกว่าพลวัท่านโดยสม่ำเสมอถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ห่างเหินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะไปยังไงก็ยังนํำทำคําสอนของท่านมาฟังนั่นท่านนำมาเมื่อฟังก็นำมาคิดกันกรองไตร่ตองอยู่ตลอดอย่างทุกวันนี้ก็เถอด สถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาที่มีอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยที่หลวงพ่อตั้งสถานีขึ้นมาตั้งแต่สองท่มจนถึงตีห้าเป็นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาท่านให้ธรรมะหรือ ว, ว่าท่านเทศธรรมะให้แก่คณะพระสงฆ์ที่เข้าไปศึกษาฟังฟังเวลาไหนก็ยังซึ้งเวลานั้นเพราะว่าท่านธรรมะพูดธรรมอันลึกซึ้งที่จะชาระกิเลสภายในจิตใจของสิทธิ์ยางสิทธิ์ทั้งหลาย เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าจะเปรียบเทียบกับเป็นผู้ถือประเทศถือดวงไฟนําหน้าสิทธิ์ทั้งหลายถ้าหากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้มีธรรมในจิตใจเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมมีมีคุณธรรมในจิตใจมีธรรมะในจิตใจธรรมะอันลึกซึ้งไม่ใช่ธรรมะธรรมดาธรรมะความบุญพ้นของท่านท่านพระแจ้งเขียนจริงแล้ว ท่านเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แนะนําเหมือนกับท่านมีแสงสว่างหรือมีประเทพที่แสงสว่างพวกเราก็เดินตามดังท่านก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ให้พวกเราศึกษาให้พวกเราฟังดูพระธรรมเทศนาขององค์ล้วนตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทนั้นล้วนแล้วจะเป็นนิยานิกระทั่มล้วนแล้วจะพวกนําพวกเราไปสู่ความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งนั้นเพวัะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ถึงจะอยู่นะสถานที่ใดก็ตามอย่าปราชจา ก, ากหรื อ, อยาหา่างผูบาอาจารย์ยาห่าง ก, การได้ยินได้ฟังยาห่างในการศึกษาให้พวกเราใ่ในการศึกษาเอาไว้ถ้าว่าใ่ในการศึกษาใ่ในการอ่านแต่ว่าอุบาอาจารย์บางท่านท่านว่าจะไปอ่านหนังสือมากนะมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายใช่ถูกต้องตามคำของท่านแต่ทงก็อินทําไมให้อ่านหลวงพ่อบอก บอกว่าในขณะที่อ่านที่ศึกษานั้นควรจะอ่านควรจะศึกษาแต่ถ้าคณะที่ลงมือประพฤติปฏิบัติขณะที่นั่งภาวนาหรือเอาจะเอาจิงเอาจังละในช่วงนี้เดือนนี้อย่าไปอ่านหนังสือให้ทิ้งไปก่อนหนังสือให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเหมือนกับพวกเราเออจะเดินทางจะเดินทางไปจงังหวัดอุดรอย่างนี้นะพวกเราก็ต้องอ่านต้องดูแผนที่ทั้งดูแผนที่ พอดูเสร็จแล้วเราก็เดินทางเดินทางก็เราก็นึกเราแผนที่ไปไปทางไหนไปหมู่บ้านไหนไปตำบลอำเภอไหนเราก็พับแผนที่ไว้ก่อนพอเราดูแล้วอย่างนั้นเราก็เดินทางอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราดูแผนที่เสร็จแล้วก็กางแผนที่เดินไปตามถนนบนทางแต่จุดกกลมก้มกลาาไปเพราะแผนที่อันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะนั้นการดูแผนที่ก็จําเป็น ในขณะที่แต่ดูตลอดไป เ, ออเดินทางไปยังดูแผนที่อยู่อันนั้นเกินไปไม่จำเป็นเขาอเอจะเป็นอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันแผนที่จำเป็นแต่เราต้องแต่ว่าขณะที่เรานั่งภาวนาเรานั่งปฏิบัติแล้วจะมาอ่านหนังสือมันจะเป็นสัญญาอารมณ์ในขณะที่พวกเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องแยกแยะให้ออกเพราะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญ แต่ฟังแล้วให้ลงมือประพฤติธปฏิบัติถางเราฟังแล้วอยู่เฉยเฉยไม่ปฏิบัติเมื่อกลับเราดูแผนที่พอดูเจอแลกวก็วางไว้เราก็ไม่เดินไม่ปฏิบัติตามแผนที่ที่บอกกล่าวพวกเราคงไม่ไปถึงไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกพี่พี่น้องๆทั้งหลายขอให้พวกเราตังต้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดําเนิน พวกเราประสบแต่ความจะประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกทำไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยเนมันก็พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพระทั้งหลายไม่ว่าองค์ไหนเนี่ยก็ตกนรกไปในทางที่ชั่วได้เหมือนกันอย่างพระในทาั้งพุทธกาลผมดที่ได้พูดได้ห้างมาเพราะผมถึงถผมจะอยู่ในป่าอ ง, งาค์คงไพยก็อย่างที่ว่าหลวงปูล่ลา ท่านอยู่ที่นี่ท่านไปนุ่นจังหวัดมุกดาหารสมัยนะั้นเดินไปท่านก็มีหนังสือพระไตรปิฎกหลวงปู่คำวัดศิลาพิเวกท่านก็ตะพายมาพระไตรปิฎกเอามาแล้วก็มาอ่านมาศึกษาผมก็เป็นสมเณะท่านก็ให้อ่านได้ศึกษาเพราะนั้นผมจึงถ้าจะว่าไปเรื่องนิทานพอดีเรื่องชานพอดีเรื่องธรรมะพอดีผมได้อ่าน ถึงผมจะไม่เรียนนักธรรมตรีโพเอกแต่ว่าการศึกษาของผมผมถือว่าผมไม่ด้ยอยกว่าคมอื่น ท, ที่ได้อ่านได้ศึกษาแต่ผมไม่ได้สอบเอ า, เอาชั้ น, ออนเอาผู้ทนเดงเพราะนั้นเวลาผมจะอ้างอิงผมจะอ้างอิงถึงพระธรรมรรรมัทธตักถาพระธรรมที่ได้เคยได้ศึกษามา อ, อ, อย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้แก่พวกเรา พระเนรทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่การทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองไม่ได้กระทบกระเทียบไม่ได้กระแทกแดกดันกับผู้ใดใครคูนหนึ่งอันนี้เหมือนกับผมเขียนใส่กระดานให้ฟัง เ, เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะในพวกเราท่านทั้งหลายทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านประ ก, กาศท่านบอกไว้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราจะต้องศึกษาเป็นอย่างนั้นไหมถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นพวกเราไป อย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้คือมีมีแล้วในครั้งพุกาลมีแล้วในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอย่วัดเชตวันวัดเชตวันมหาวิหารท่านปลาบอพถึงกัปปิระทิขุปลากัปปิล ะ, ค, ละคือเรื่องราวมี วันหนึ่งเพราะองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชิดตะวันมีพวกคนมีพระเจ้าแผ่นดินคือพระยาประเสริฐที่โกศลแล้วนำปลาเคือมีพวกชาวประมงไปตกปลาในแม่แมนะ้ำอเจรลวดีแล้ ว, วดได้มาแต่ว่าปลาตัวนี้เป็นปลาปลาทองเอสวยสวยงามเป็นปลาใหญ่เเขาก่อ ทีแรกเขาก็เหมือนตกปลาได้แล้วเขาก็จะเอาไปถวายพระเจ้าแป่นดินแล้เมื่อถวายพระเจ้า เ, เาปเ็นดินเสร็จแล้วเขาก็จะได้พระเจ้าแผ่นดินก่็จะได้ให้รังให้รางวัลแก่เขาเพราะมันปลาปลางามปลาสวยเป็นปลาทองพระเจ้าแผ่นดินเห็นไมติอใจปลาตัวนี้มันแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าปาลาไฟลัมมันอ้าปากขึ้นมาปากมันเม็นปลาตัวนี้และ ท, ทําเะพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่มีใครที่จะรู้เรื่องของปลานี้ได้ จากนั้นพระเจ้าเปเจงกับพวกชาวประมงที่หนุ่มประมงทั้งหลายทั้งห้าร้อยที่ได้ปลามานที่จะมารับรางวัลก็พาไปหาพระพุทธเจ้าท้าไปพระองค์บอกว่าโอ้มหาบพิษปลาตัวนี้เนี่ยเคยเป็นภิกษุมากอ่อนในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสบสปะพทศพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายพระมหาประสัดเกรกล้าทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นอย่างไรหนาพระพุทธเจ้า เป็นพิกษุูตแท้ๆจะมาเกิดเป็นปลาได้เทํำไมเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าปัสสาวะมีตระกูลตระกูลหนึ่งมีพี่น้องอยู่ด้วยกันสองคนพี่กับน้องแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งต่อมาค่อได้ตายป้าตายลงพอตายลงแล้วกันพี่ชายใหญ่ก็เลยชวนน้องบวชไหมเอี่น้องก็จินดีบวชแล้วก็น้องสาวก็บวชต่อมาแม่ก็มาบวชบวช แม่ก็บวชเป็นพิกจุนีส่วนน้องสาวก็บวชเป็นภิกจุนีแต่วพี่ชายใหญ่ก็บวชเป็นพระถ้ากก็บวชเป็นพระทีนี้พี่ชายใหญ่เขาบอกว่าเราบวชอายุมากแล้วเราควรจะเรียนฝ่ายกรรมฐานพิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อทางพ้นทุกข์ถ้าเราเรียนกรรมฐานถึงห้าปีแล้วเราก็คงจะเข้าป่าปฏิบัติ พี่ชายเขาเรียนแต่ส่วนน้องชายบอกเรายังน้อยหนุนอยู่เมื่ออายุแก่ขึ้นมาเราจริงจะเรียนฝ่กรรมฐานขณะนี้เราเรียนปริญญาตรีะก่อนเพื่อให้เรียนรู้มาหาป ร, ริญญาได้มาหาป ร, ริญญาสะก่อนจึงค่อยออกปฏิบัติต่อภายหลังคือน้องชายต่อมาก็พี่ชายของพ่อเรียนถึง5ปีเรียนไฝ่กรรมฐานจากนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ให้กรรมาฐานหกรรมาฐานอาการส2บสองจนเรียนถึงมรรคผลนิพพานจะทำยังไงกินจะพ้นทุกในวัฏฏสงสารได้ฉะ น, นั้นพี่ชายก็เพื่อเรียนจบแล้วก็ออกป่าไออกไปปฏิบัติอยู่ในป่าไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พี่ชายแต่น้องชายกับปิละเนี่ยเรียนขางปริยัติาะนั้นก็สอนปริยัติธรรมให้แก่คนบริษัทบริวาร จัดคายาจงบนนับถือเลื่อมใสยอย่างมากแต่พอเรียนปริยตัตไปนี่มันสงสัยในปริยตัตเพราะศาสนาะเพระพระเจ้าปริญพานะปฏิญญ า, านานแล้วไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าใครท่านพระกัปปิลาเนี่ยก็สอนไปสอนมาก็สงสัยในในแผนที่อย่างที่ว่าอ่านขึ้นไปพวกคนไม่เดินไม่เดินตามแผนที่จะรู้ได้ยังไงเหมือนกับ อ่านแผนที่กลางแผนที่ตอนนี้ไปอำเภอหนองสูงนะไปอย่งงางนั้นไปเจอบ้านนั้นไปเจอทองนั้นไปเจอทางคดทางโกงตรงนั้นตรงนี้ก็เห็นแต่กำลังแต่ไปไม่ได้เดินแล้เมื่อไปเดินก็สงสัยสงสัยแผนที่ผลในสุดเจ้าออ ก, ก็มีตะสอนยกย่องนับถือให้นับถือ พ, พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ได้ภาวนา จะแต่ว่าคณะรัทธาญาติโยมนับถือเลื่อมใสในพระกปริญธิปูตเพราะท่านเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้แนะแนวเกี่ยวกับสิ่งนัตธรรมให้แก่สัตย า, าติโยมคนทั้งหลายกับตวะจะถูปัจจัยจนลืมตัวนี้พอท่านไดไป้ปร ะ, จ, ะจุปัจจัยแั้วท่านก็ลืมตัวมัวเมาในการจตุปัจจัยนั้นอ่นที่สุดวันหนึ่งท่านขึ้นไปธรรมาที่จะแสดงพระปฏิโมก ท่านก็ขึ้นไปแล้วท่านกําลังจะแต่งปฏิโมกทำเอ๊ะพระปฏิโมกมีความสําคัญชะไหนถามพระพิสุทธิ์ พ, พสุทธายก็เงียบเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็บอกเอ้ยต่อไปนี่เราจะไม่ลงปฏิโมกปะไม่เอาแล้วเนี่ยผิดถูกมันอยู่กับเราทั้งหมดเราจะทําอะไรเป็นเรื่องของเราพอในสุดพี่ชายก็มาบอกเอ้ยต้องลงปฏิโมกนะน้องนะเนียถ้าเป็นพระหรหันต์องค์นั้นไม่ยอม น้องชายไม่ยอมเพราะมีอติเลตลาดจักทายแย่งโยมเรือกสายมากแล้วส่วนพี่ชายเพิ่งออกมาจากป่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพี่ชายพูดเท่าไหร่ไม่ฟังองค์อึดพูดยิ่งไม่ฟังผลในสุดพี่ชายก็ปรินิพานปรินิพานส่วนน้องชายก็เป็นคล้ายๆไม่ยอมฟังใครเลยท่านเนี่ยหัวดือ้อหัวล้านทำให้าศาสนาของพระพุทธเจ้าปัจสสาวะเสื่อมเร็ว ลงไปอีกต่างเยอะแยะไปถึงเพราะว่าพระไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระไม่มีศีลไม่มีไม่ไม่มีวินยัยไม่มีฮีริโคนตัปปะไม่เคารพในหลักพระธรรมวินยัยศาสนาของพระพุทธเจ้าประสาทเสื่อมถอยลงอย่างมากนี่แหละจากนั้นพออายุไขแล้วพี่ชายท่านก็นิพพานไปแล้วท่านไตรภราฐานเนี่ท่านก็สู่นิพพาน แต่กับเพราที่กู่พอตายลงไปไปลงไปสู่อเวจีมาหานรกไปเกิดเป็นไปตกนรกอเวจีพกะทําบาป ก, กรรับมันไม่ใช่เปลี่ยงเพียงแค่นั้นมันทําไปหมดเลยเพราะความไม่เชื่อไม่เชื่อในธรรมคำสอนคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ต้องทําความชั่วซ้ายเสียหายได้มากมายทําอะไรก็ได้เขาไม่เชื่อเนี่ยคิดอะไรทําอะไรพูดอะไรพูดใดทั้งนั้นเพราะความไม่เชื่อมีอยู่ในใจ่มีที่ลับมีที่แย่ถ้ามีที่ลับก็ทําความชั่วได้ทุกอย่าง เนีคงใครไม่เหนเนีถึงจะใครที่เห็นก็ไม่เป็นไรเน่เพราะว่าตัวเองมีอานาจวาสนาเนี่ยผลในสูนุดนั้นะเตอะอะติเลกาลาเขามากมายแม่ก็ดีน้องสาวก็ดีก็ยินดีกับอะติเลกาลาของของพระลูกชายอยางนี้ผลในสุดพอพี่พอ่อพอตายลงไปเนี่ยลงอเวจีมหานารกแต่แม่ก็ตกนร ก, ก, ก, ก, ก, กอีกเหมือนกันน้องสาวก็ตกนรกอีกเหมือนกันก็ให้นแหละ เพราะมันยินดีพอใจในการกระทำความชั่วจากนั้นพอในศาสนาของพุทธิยานคือพุทธพุทธันดอนหนึ่งกับไปรักพิชูกสุเลยพ้ น, นจากนรกขึ้นมามาเกิดเป็นปลาเป็นปลาทองในแม่น้ามาเจสลาวดีทีนี้มีพวกประมงชาวประมงประมงนี่ก็เหมือนท่านมีประวัติอยู่เหมือนกันนะประมงนี่ก็คือ ต่ก่อนในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ส ป, ปะเหมือนกันเป็นพวกนี้เป็นโจรโจรห้าร้อยเหมือนกันเพราะโจรห้าร้อยป่นฆ่าอะไรแต่นีพวกตำรวจพวกชาวบ้านเขาไล่เขาไล่ต้อนตล่อมเข้าไปโจรมวกนี้ก็วิ่งไปหาไปหาวัดไปหาพระพระก่อนเออพวกโจรพวกนีผมขอเป็นทีเฟึ่งโดยเทอน แต่พระบอกเออเอาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีหรอกสินท่านน่ะเป็นที่พึ่งเอ้าบวชท่านพระเลยตอนนี้ให้บวชเป็นสัมมนเนยพอเป็นสัมมาเนยนะพระที่สอนบอกพวกเธอทั้งหลายนะอย่าทำล่วงละเมิดศินนะ ร, ะรักสินยิ่งให้เท่ากับชีวิตนะถึงจะตายไปก็ตายเถอะเกิดมาตายแล้วแต่อย่ายให้สินขาดนะได้ไหมได้ครับเออจากนั้นสั ม, มนเนยก็รักษาสิน พอตำรวจพวกชาวบ้านมาเห็นเขาค้นหาเนี่ยจริงนั่นพวกเนี้มันมาบวชเป็นเมนยอยู่นี่จากนั้นเขาจับได้ป้อนเขากระทบเลยจังแปล ว, ว่าโจรเขาห้าร้อยนี่นก็ตายแต่ไม่ได้คิดสู้อะไรเลยเงินเพราะรักษาศีลพอตายแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เพราะอันนี้สงสีเห็นไหมอันนี้สงสีจริงจังกับศีลถีญธรรมไปสู่สวรรค์พอไปสู่สวรรค์รรก็คงไม่นานลงมาเกิด มอมาเกิดก็มาเกิดเป็นลูกชาวประมงเป็นแต่ไก่แม่น้ำมาเจริญวดีเป็ น, ใในาา ก, ปปกลุ่มชาวประมงชาวประมงคนนี้ก็มีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าโจาคนก็นมาเกิดเป็นลูกหัวหน้าจากนั้นก็เป็นลูกของบริวารเกิดวันเดียวกันดังนั้นวันที่จับปลาเนี่ยเป็นวันจับปลาที่ว่าลูกชายของชาวประมงลงจับปลาเป็นครั้งแรก เอาแห่เอาอวนเข้าไปพอจับขึ้นมาก็ได้ปลาทอง เ, เขายังยินดีปีติยินดีอย่างมากว่าได้จับปลาทองเราทงมจะได้รางวัลจากพระเจ้าประเสริฐที่โสุดจากนั้นก็เลยได้ออกปลาไปใส่เรือเข้าไปาแช่น้ําบ้างเพื่อไม่ให้มันตายจากนะั้พเราไปหามไปหาพระพุทดเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาปพิธเดี๋ยวอัตมาภาพเราตถาคตจะให้ปลาตัวนี้พูดให้ฟังนะ เป็นอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้ยยาก็ถามมาแต่ก่อนเธอเป็นกะกะปพิะประพิภูใช่ไหมพระพุทธองค์ถามนะเธอาถามปลาปลาก็พูดเป็นภาษาคนเลยวใช่สมัยก่อนเธอทํำยังไงจึงจะได้เกิดจึงได้เกิดมาจึงเธอเธอเป็นกัละพิจูกระพิระพิจูนแล้วไปไหนตายไปแล้วไปสู่อเวจีครับผม ทำไมจึงไปสู่อเวจีเพราะกระผมพูดคิดพูดทำไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยครับผมแล้วประโยชน์นรกนานไหยนานพุทธันดรหนึ่งครับผมแล้วทําไมจึงมาเกิดจะมาที่ไหนกระผมมาเกิดเป็นปลาเป็นปลาทองครับผมแล้วออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนจะไปที่เก่าครับผมอเวจีมหานารกและแม่แม่ไปตกนรกครับผม น้องสาวล่ะน้องสาวไปตกนรกครับผมเออพอว่าเท่านั้นหละปลาตัวนั้นเอาหัวฟาดกับขอบขอบเรือที่เขาใส่น้ำมันปลาตัวนั้นก็ได้ตายตายลำโกงกะไปสู่ ร, ระเวกอีหมานรกเอออย่างเดิมพระพุทธองค์บอกว่ามหาปกิด ท, ที่ปลาตัวนี้นที่ปากเหม็นเพราะว่าเขาดา่าปริพาทพิสูจทั้งหลายผู้ทรงศีล แล้วก็ไม่มีที่เริยกอวดตะปาจะพูดอะไรก็พูดออกนอกรูนอกทางไม่ตามแนวแถวที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากัสสะที่ท่านได้ตรัสไว้แต่ ท, ที่ที่ตัวเขาเป็นสีทองเพราะเขาเชิดชูบูชาบารยายที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดประโยชน์ให้พวกคนทั้งหลายให้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง เพราะนั้นตัวของเขาจึางเป็นเป็นสีทองเพราะอันนี้สงปรายายทำคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่ปากของเขาที่เหม็นก็คือปากของเขาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะพูดให้ฟังอย่างที่ผมได้พูดตรงตผมไม่ได้พูดให้ว่าองค์ใดใครผู้หนึ่งแต่พวกเราท่านทัน้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านเน้นท่านสอนอย่างนี้ อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ภายในก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมนัยให้มีฮิ่หลีกอด ต, ตบะคือมีฮิหลิคือความละอายแก่ใจอด ต, ตบะคือความกลัวต่อบาปพวกเราทั้งหลายถ้าอยู่ในสำรวมระวังอยู่ในศีลและวินัยแล้วพวกเราก็จะสบายใจเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สวนพระเป็นว่าศีล ส, สมาธิปัญญา ส่วนคณะสัทธาญาณโยมทานสีภาวนาทําไมทานญาณโยมทรมาหาเลี้ยงชีพท่านต้องสอนให้ทาน mm hmm. เ, ออเมื่อเราเสาะแสวงหาทรัพย์มาแล้วเราก็ควรจะทําบุญทําทานแต่ส่วนท่าสง เ, ออเมื่ออยู่ข้างในเพราะเราไม่มีอะไรนะมีแต่มารักษาสีให้กายวาจาให้เรียบร้อยรักษาจิตจากนั้นก็ทําสมาธิ mm hmm. ทําจิตใจให้มัน mm ่นคง จากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแต่ธนัทธายาโยมสอนให้ทานจากนั้นจะรักษาสินและก็ให้ภาวนาอันนั้นก็คือพัทธายาโยมมีภาระกิจรุ่มมากก็ควรจะทำได้ขนาดนี้คณนับว่าดีถ้ามีสินคนเราต้องมีทานทานะคํานี่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทานคืออมิจฉาทานคือทา อภิธานคือให้เข้าน้าโภชนะอาหารแก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่จนหรือให้แก่สมณักศีาพามผู้ทรงศีลอเนวน่าทานอภัยทานคือให้ถึงเมื่อเขามาร่วงเกินเรามาดุด่าว่ากล่าวเราถ้าเราไปทุบไปตีไปชกไปต่ป อ, ปตอยเขาเออมันพอเท่านั้นเราก็ให้อภัยาทานเลือกทั้งหลายก็จะได้จบลงเรียกว่าอภัอยทานอย่างที่หลวงพ่อให้แนวธรรมะอย่างนี้ อันเรียกว่าธรรมทานพวกเราเป็นคารวะญาติโยมว่าแนะนำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมให้แกตัทายญาติโยมลูกหลานไปจัดทวาเป็นธรรมทานได้แล้วก็วิทยาทานก็คือบอกวิธีการพวกเราพวกเขาไม่รู้จักวิธีทํามาหารเลี้ยงชีพตัดผมอย่างนี้นะเย็บนะนะผ้าอย่างนี้นะซ่อมรถอย่างนี้นะดำนาอย่างนี้เกี่ยวข้าวอย่างนี้นะอันนี้คือสอนอันนี้เราวิทยาทาน็ก เ, เป็นการทานเหมือนกัน นี่แหะการทําทานมมากมายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแตนั้นเรื่องศีลก็คือศีลห้าสำหรับชัฏายาติโย่แต่ส่วนภาวนานั่นก็คือพยายามทําจิตใจของตนเองให้สงบพยายามภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่สอนสําหรับคารวะญาติโยวันหนึ่งอยากว่ายสักหานาที10นาที20ท่สิบกานทีหรือเป็นชั่วโมงไปเยี่ยงดี เพราะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราทําความเราภาวนาทาํำจิตใจให้ระบบให้จิตใจของเราพักผ่อนสักชั่วระยะหนึ่งก็จะเป็นผลดีสําหรับพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรามีจิตคิดฟุ้งซ่านคุณทั้งวีทั้งวันมีแต่ปดเมนแต่ใช้อารมณ์อยู่ตลอดทั้งวันใจของเราหมดกาลังเหมือนกันเมื่อจบเมื่อใจหมดกําลังใจก็ว้าววีอ้างว้างเงียบเหงาสิสา้นเศร้าเมื่อมีอะไรมากระทบ ถ้าว่าพวกเรามีจิตใจที่เข้มแข็งยึดพุทโธเป็นหลักใจของเราจะมีความผาสุกในจิตใจเพราะยึดคุณงามความดีจะมีความผาสุกรึกๆอยู่ในใจของพวกเราอันนี้เราขอฝากไปกับคณะจักรชา ย, ยาโยมส่วนพระสงฆ์เมื่อเราก็มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านว่ารักษาสินสินของพระก็คือสิสอง้อยี่สิบเอย่าให้ขาดตกบกพ่องเพราะพระพุทธเจ้าท่านรับพวกเราว่า สากยบุตรพทักษิณโนโรถพวกเราเป็นศากพญตรคือบุตรของพระพุทธญาอันนี้ก็คือเราถ้าว่าพวกเราทําตนไม่ดีทําทัวไม่ดีไม่มีสศีลอันนี้แปลว่าเป็นลูกเกเรนียลูกไม่มีอยู่ลูกเกเร ล, ลูกอยู่ไม่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันนี้ก็คือลูกเกเรเนี่ยถ้าว่าศีลสมาธิทําจิตใจให้สงบ และกัปัญญาพิจารณาการกองไตรกรองเหตุและผลนี่แหละจะได้หลวงพ่อจะมาพูดเรื่องสมาธิจริงสมาธิเนี่ยทาไมพระพุทธเจ้าท่านจึงหนีออกไปบู่พวกเราจะต้องเท้าความเท้าความถึงพระพุทธญาพระพุทธเจ้าทําไมหนีออกไปบู่พระพุทธเจ้าเห็นอะไรท่านเห็นความแก่ความเหวี่ยงความตายและก็เห็นสัมมนาความแก่พระพุทธองค์ น, นั่งรถกับนายไปนา ย, นายขับนายชนะ เสด็จรอบพนคอนเพื่อจะไปสู่คุณทยานไปเห็นคนแก่ผมงอฟวันหุดหนัง els, เหี่ยวตาฟ้าฝางคือไม้เท้าพระองค์เห็นไอ้นี่คืออะไรใน刹กนวันนี่คือคนแก่เราจะแก่ไหมถ้าพราะองค์ไม่สวรรค์นกคตง่ายกว่าแก่อย่างนี้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยหนีพ้นไปได้เรื่องความแก่ เนี่ยแะเกิดความสลดสังเวชใจจากนั้นก็เห็นคนเก็บจากนั้นก็เห็นคนตายจากนั้นก็เห็นสมณะ ท, มทําไมจึงว่าเห็นสมณะสมณะคือนักบวช น, นั่งอยู่ตามลําพังพระองค์เสด็จไปเห็นไปเห็นสมณะนั่งเงียบสงบพระองค์บอกว่าอืมถ้าเราอยู่ในเวียงหวังบริหารจัดการเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองเกี่ยวทหารตำรวจบริหารราชการอยู่ในเวียงหวังคงไม่มี คงไม่มีเวลาที่จะมาคิดที่จะสอบสวงหาทางถ้าจะทำยังไงถึงไม่มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้อีกคงไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งคิดอยู่อย่างพระองค์นะี้คงจะมีช่องต้องต้องมีต้องมีโอกาสจากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกไปบวชกลางคืนหนีออกกับนายชนะเข้าไปอยูอ่แม่น้ำโนมาณทีไปบวชพอไปอยู่ที่นั่นก็ ไปลองผิดลองถูกจะต้งหกปีเออทดลองผลที่สุดก็วันสุดท้ายวันเดือนวันเดือนหเพ็นพระพุทธองค์ได้ตัดจุลูนพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทุกนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะศึกษาพระองค์ทําอย่างไรในวันนั้นที่วันที่พระองค์ได้ตัดจุลูนั้นพระองค์ น, น, งนั่งสมาธินะคณะสัตยาญาิโยมหมู่บกเพื่อนทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายพระองค์นั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างไร พระ อ, องค์วันนั้ น, นตอนเย็นนายโสธิยะไปเกี่ยวหญ้ามาแล้วก็นำจ้าคาเอาถวายสิทธาถาแปดกำมือสิทธาถาเขได้นำ้าขามาก็ะเกลี่ยงลงที่โคนต้นโลจากนั้นก็ขึ้นนั่งสมาธิพอท่งสมาธิหันพระพักไปทางทิศตะวันออกคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสต example, Arrow, pain, ิเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพระไทยลึกใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งนะพระองค์นําจิตลึกใจของพระองค์นั้นลําลึกถอยหลังดูชาติผลหลังเมื่อวานมาจากไหนวันก่อนมาจากไหนชาติก่อนมาจากไหนชาติก่อนก่อนมาจากไหนนี่พระองค์ดูพระองค์เองนะ คือภูเพนิวาสาันจติยานคือพระองค์ดูพระองค์เองจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ดูคนอื่นจุตูปะปะตาตยานการจติของสรรพสัตว์ทั้งหลายคนนี้มาเกิดทําไมทําไมจึงไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นทําไมมาไม่เกิดไม่เหมือนคนนี้บางทีก็คนหูหนวกตาบอดบ้าไหวเสียจิตบางที ก, ก็คนง่วคนฉลาดคนคนจนแปรแตกต่างกันเพราะอะไรพระพระองค์รู้ในว่ากรรมคือการกระทบ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตนว่าเราทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะต้องให้ผลในเมื่อเราฆ่าสัตว์มาพบนิชานที่ชีวิตของเราจะสัน้นเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธองค์รู้ว่าอุปเเพงจุตุป ป, ปาแต่ยากาการปรจจติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เ, เพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่ากรรมชั่วพวกท่านทั้งหลายอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเมื่อพายดับจากนั้น เพระ อ, องค์ก็นั่งภาวนาจนถึงจวนจะสว่างจึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ท่านได้ตดพราะว่าท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่มาให้เกิดนั้นเรากำจัดออกจากพระไทยของเราแล้วคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของเราเนี่ยใจของเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใจ เป็นอมตะธาตเป็นอมตะธรรมแล้วใจพวกเราไม่มีอะไรที่จะมาขวนอีกแล้วใจบริสุทธิ์อันนี้เคยคือพระองค์ได้ตัดสินวเป็นพระนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเผ็ญจะได้มาพูดถึงหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงปู่ลาภของเราเอ้าวที่หลวงพ่อได้ศึกษาจะลงลงตาลงปู่ลาภท่านว่าเออธรรมเนนเวลานั่งภาวนานะเนี่ยเวาเดินโยกมให้ปนมือซะก่อนนะ เวลาเลยจะมกงกมุดเส้นทางเสร็จแล้วให้ยืปนปนมมือเอ่ปนมมือไหว้ครูเจ้ก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมาพระสงฆ์กโอนพธโธธรรมโมสังโภพุโทโธธรรมโมสังโภสจบแล้วเอามือลงเอามือประสานกันเอามาประสานมือที่ท้องน้อยนะอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นขาขว า, ข า, ขวาพุทขาท้ายโถเดินปกตินะไม่ต้องเดินช้าเพราะใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติ เราเดินยังไงเป็นอย่างนั้นแนหะไม่ต้องยกก้าวใจพวกเรามันเป็นเร็วอยู่แล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธขาขวาพุขาทขาซ้ายโธพุทโธเวลาถึงหยุดแล้วก็ก้าวขวาขวาพุขาทขาซ้ายโธอันนี้แหละคือวิธีเดินจยกลมพอจากนั้นพอจะเสร็จเราเดินนานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้แต่หลวงพ่อเนี่ยเคยเดินจยกลมตลอดทั้งคืนเคยเดินนะบางทีก็ชั่วงโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็นนัเป็นธรรมดา เอออันนี้เคยเคยเดินพุทโธพุทโธพุทโธจากนั้นก่นก่อนที่จะออกจากสมาธิเราปั่นนมมือซะก่อนไหว้ครูซะก่อนพุทโธ ท, ทำโมสังโโหจากนั้นก็แผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสักอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือวิธีเดินจงกรมนะเราไปเดินนสถานที่ใดอย่าไปเออจะไปกระดาษอายนะ นี่ก็คือแนวแถวที่พ่อแม่กูบ า, าลการหลวงกูล่าสายหลวงกูมั่นทันสนอันนี้คือวิธีการเดินจะวิธีการนั่งวิธีการนั่งทํำยังไงอย่างาแต่ละวั น, เ, นเราก็ขึ้นไปกราบผ้าผ่อนขึ้นกราบเรานอนไปทางไหนชันหันศีรษะไปทางไหนแล้วก็กราบที่หมอนของเราพุทโธธรรมโมสังโโอษละหังสาวาระโตสุปฏิ น, โ ม, โ, น, โ, มนโมจังสุปฏิปโนนโมตัสพวกทางธรรมังสังขัง เออคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในสถานที่ใดถึงจะมีพระพุทธลูกหรือไม่มีพระพุทธลูกไม่เป็นไรเราน้อ ม, มน้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราเรากราบเสร็จแล้วเราก็ปรนน ม, มือให้นิ่งอยู่ในใจให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาว่ า, า, าข้าพเจ้าต ร, ตรงเป็นถูกผู้อื่นตรงเป็นถุก ข, ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุพร้อยมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้า เออต้องการและอยากที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเถินเอออันนี้คือเราไหว้พราหจบเรียบร้อยแล้วให้แผ่เมตตานะีอย่าลืมแผ่เมตตานะีคนที่มีเมตตาอยู่ในใจิตใจรับตื่นจะเป็นสุขเนะี่ยพี่จะมีเรื่องร้ายอะไรเข้ามามันจะกลายเป็นดีได้เพราะเราไม่สู้เราไม่ เ, เปลี่ยนเพียนเขาตกมือข้างเดียวเราไปสู้นะเราแผ่เมตตาอย่างเดียวเพราะเกิดมาในโลกอีกไม่นานนะต่างคนก็ต่างไปอย่าไปทําอะไรให้กันเออ มันเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแผ่เมตตาในใจเนั้นระเลิดประเสริฐที่สุดจากนั้นก่อ น, นั่งนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือซะก่อนประนมมือคือไหว้กูอีกครั้งพุทโธธรทมรมโสังโอพุทโธธรทมรโมโสังโอบจากนั้นก็แผ่เมตตาอีกจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงทันทีกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่แหละ คือกรรมฐานของพ่อแม่ปู่ปาจานสายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ยามที่ท่านสอนพวกศิษยามุศิษย์ทั้งหลายท่านให้นั่งภาวนากํานะหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถแต่พวกเราได้สังเกตไหมว่าพระหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิที่โคลนต้นโพนั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงส ต, ติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติตสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นแต่มาถึ ง, งหลวงปู่มันท่านบอกว่ า, วากำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันบุบได้ง่ายอารมณ์บุบได้ง่ายเพราะนั้นท่านจึงให้เวลาหายใจเข้าพดหายใจออกโถลให้พรให้มีพดโผด้วยสำทับเข้ไปอีก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่บางคนพอนั่งภาวนามัน ไ, ไม่ไม่เห็นลมหลงพ่อทําไมให้พวกเราหายใจแร ง, แรงหายใจแ ร, แรงเข้าไปหายใจฟุดฟันพุทฟัดพุทฟัดสักสองสามครั้งจากนั้นยังค่อยทําจิตใจให้ให้กําหนดลมหายใจเข้าพุทโทพุทโทพุทโทนี่แหละอันนี้คือวิธีการภาวนา เพรนั่นเราไปนั่งนักสถานที่ใดเราไม่ต้องเขินเขินนะนั่งได้แต่ว่าถ้าว่าเราไปที่ในที่สาธารณะอย่างนี้เราจะนั่งอย่างไรเราไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้มันอยู่ในใจสมาธิมันอยู่ในใจเรานั่งหลับตาพิ้วในใจไปนึกพุทโธพุทโธนันคือการภาวนาคือให้มีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละคือภาวนาถ้าว่าเรานั่งสมาธิขัดสมาธิอย่างตี แต่เราคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นอ น, นันแปว่านั่งคิดนั่งสู่ไม่ใช่นั่งสมาธินะ่ะให้พวกเราให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้ฟังเอาไว้ถ้าพวกเราจะนั่งสถานที่ใดให้มีสติอยู่กับตัวเองเรานั่งน่สถานที่มีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละคือนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมทุกทุกท่านที่พระเนรลูกหลานทุกองค์ที่ได้มาฟังทำค า, า, าสอนที่ผมได้ เรียนได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาทายทอดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพอแล้วพวกผมผมเองก็มั่นใจว่าที่แนะนําไปนี้ไม่ผิดแน่มั่นใจเกินร้อยจึงได้แนะนําแก่พวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่าั้งหลายปฏิบัติไปตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บองพวกเราแนะนําแล้วเป็นยังไงเมื่อเรานั่งสมาธิแล้ว สมาธิของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อนั่งไปแล้วถ้าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ต่อจิตของเราจะเข้าสู่ความสง บ, บนะพวกเราท่านทั้งหลายจิตสงบมันเป็นอย่างไรพวกเราคงอยากจะรูออ้อันดับแรกเมื่อเราใส่ใจเรานั่งจิตใจของเรามันจะเย็นว่า อ, อถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใจของเราเอานั่งคืนนี้ก็ได้ อ, อทดลอง เรานั่งพยายามนั่งนานๆนั่งนานที่สุด <c oughs> ใจของเรามันจะเย็นกว้างเย็นสบายเรารู้ได้โอ้ทําไมใจของเราคิดปกติวันนี้ขณะ น, นี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นทําไมทําไมใจเราเป็นอย่างนี้อันนี้แหละคือว่าจิตของเราเริ่มสงบแล้วนะอันนั้นคือว่าคณิกะสมาธิจิตของเราเริ่มสบ บ, นะนนสตส บ, บแต่เหมือนกับเราเพ้เผลอเหมันเพ้เผลอเบอเบอรแต่มันไม่ใช่คล้ายๆว่ามันมั น, ม, นมันเริ่ม เริ่มสงบเริ่มเห็นผลอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่เพียงคณิกะสมาธิตัวนี้พวกเราก็จะจําไม่ลืมนะจําไม่ลืมเพราะมันมีความสิ้นสุขพิษปกติกว่าจิตทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นเราก็พยายามแต่บางคนกอนั่งอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เรานั่งคราวนั้นนะ่ะวันนั้นนะ่ะคืนนั้นทำนะั้มันมีความสุขอยากจะให้มันเป็นะมันจะไม่เป็นนะพ ว, พวกลูกหลานทั้งหลายนะมันจะไม่เป็นต้องหาใหม่ต้องไม่ต้องคิดมันลนะ อยาเป็นแล้วไม่เป็นอยากที่มันเป็นไม่เป็นแต่ให้เรากำหนดลมหายใจเข้าออกใหม่จากนั้นพอจิตของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นต่อไปเนี่ยจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบให้เขาสส้ากับสติกับจิตมันควบคุมกันอยูเออ่เหมือนกับอะไรใจของเรามันจะไปที่ไหนสติของเราก็ทันทันกะทันใจมันไปที่ไหนก็ทันมองเห็นว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดียวนี้ อันนี้เรียว่าอุปจารสมาธิจิตใจเข้าถูงความสงบจิตใจไม่หิวไม่ห่วยจิตใจอยู่ <Okay. S 1> เต็มหลวงพ่อว่าจิตใจจิตใจไม่ขนองจิตใจไม่ออกนอกรูกนอกทางอันนี้ว่าอุปจารสมาธิแต่พวกเรานั่งกำหนดดูให้ให้แนวลงไปอีกออดูให้ดีอีกเ อ, อจิตใจจะรวมสงบลงไปอีกลึกข่าวนิ่นนง เรานั่งอยู่ท่าสถานที่ใดเราจะไม่รู้ว่าเรานั่งทนะ่าสถานที่ใดเสียงอะไรเราจะไม่ได้ยินจิตของเรานิ่งสงบลงเป็นหนึ่งแปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่ น, นเป็นจิตที่สงบนิ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นใดสติเป็นอันนั้นคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรารู้ได้เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใคร กายกับใจมองเห็นได้ชัดว่ากายไี่ต้องแตกตายสลายแนย่แต่ใจคือนามธรรมที่จิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งเนี่ยตัวนี้พวกเราจะรู้ได้วัตถวนี้จะไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิเนี่ยสึงที่สุดก็เพียงอัปปนาสมาธิเท่านี้ไม่เกินกว่านี้จากนั้นก็ถอนใจิตใจถอนขึ้นมาและถอนขึ้นมาแล้วจะทำยังไงหลวงพอ่อ ถ อ, อนขึ้นมาแล้วก็เนี่แหละให้พิจารณาทั้งทางด้านปัญญาณที่นี่นะสมาธิเนี่นถ้ามันรวมสงบลงปปนั้นแล้วอย่าให้สงบจนเป็นนิสไสเราต้องพยายามบังคับให้เดินทางด้านปัญญาพิจารณากรรมฐาน5้าที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนกรรมฐาน5าก็คือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจจากนั้นก็อาการ32สอง ผมผลเล็บฟันหนังเมื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปวดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้พิจารณาร่างกายว่าเป็นของอสุภะปฏิคุณร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราหน้าใจหน้าแค่นี้พอจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วมันมองกายก็เห็นกายได้ชัดกายไม่ใช่โคตของเรานะอีกสักวันหนึ่งถูกเผาไฟทิ้งแน่นอนนใจใจน่ะใจอย่าไปหลงน่ะ พระพุทธศาสนาพระพระพุทธเจ้าบอาว่าการหลงทั้งหลายคือหลงกายในเมื่อหลงกายแล้วก็หลงกายของตัวเองแล้วก็หลงกายคนอื่นพอหลงกายคนอื่นก็หลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์มันหลงไปหมดพราะถือว่ากายเป็นของเป็นตัวตนของเราถ้าพิจารณากายว่ากายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่ะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องถูกเผาไฟทิ้งแน่นอนนะ่ะยังเหลือแต่กระดูกนะใจนะเทนี้ใจก็จะต้องดู ร, รู้เ อ, อื้ใช่ ใจกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงเป็นหลงกาศเ่ท่นี้มันก็ย้อนมาหาใจอีกใจมันมีอะไรอยู่ในนี้ทําไมจึงไปหลงเขา่าเน่ท่นี้มาดูใจอีกนี่แหละซึ่งทุกสิ่งทุงกอย่างมันออกไปจากใจทั้งหมดทีนี้เพราะฉะนั้นทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยอย่าพิจารณาไปจุดไหนนะให้ย้อนมาหาถึงใจถ้าถึงใจแล้วเนี่ยแปว่าถึงจุดที่เราจะตกลงบอลอยางไง ให้เห็นอนิจจังทุกของอตตังอนัตตานาดใจของเราก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นสิ่งไหนที่เป็นอนิจจังสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาอีกใจของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วปฏิเสธกระทั่งใจอย่างนั้นเราได้อะไรสิ่งที่เออมันสิ่งที่มันไม่ตายมันมีเหมือนกับเราเอาน้ำฝนสาดลงไปใน ทองทองคําทองคํามันผสมกับเงินมันผสมกับทองเหลืองทองแดงมันอยู่ในนั้นเราเอากรงไปแช่น้ํากดน้ํากดมันจะกัดหมดกัดทองอย่างอื่นกัดของที่แปลกปลอมเลยยังเหลือแต่ทองคำทองคําน้ํากดไม่กัดนี้ก็เหมือนกันถ้าเมื่อเราปฏิเสธถึงทเทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเราเจอแล้วเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของเราใจของเราจะบวรที่สุดขึ้นมา นี <ersch> ่แหละความรู re re variety, time, es, message, ้สึกเกิดมาจากเหมือนกับตะบอนเราไม่ได้เรียนหนังสือแต่เราไม่ได้เรียนหนังสือเราไม่รู้หนังสือแต่เมื่อเรารู้หนังสือแล้วเออความฉลาดเกิดขึ้นในจุดที่มันมันโง่น่ะตะกอนมันไม่รู้มันโง่แต่บัดนี้เรารู้แล้วคือฉลาดนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราในขณะที่เรายังไม่รู้เราก็โง่แต่เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ฉลาดในจุดนั้น และเกิดความเบื่อหนานคายบุตรโนธิจารย์สวักิเลสเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิรมกหลานพระเนทุกองค์ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้แนะนําสั่งสอนมาเนี่เป็นของหญิงพูดอย่างนั้นได้เป็นของหญิงพวกเราอยากจะรู้ว่าตายและเกิดตายสูงให้นั่งภาวนานทําจิตใจให้สงบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่ลงมั่นลงมา ที่ท่านโค่นนำเป็นพ่อแม่ผูบายอาจารย์ของพวกเราเมื่อท่านทวงรับรับกัรไปแล้วอติธาตุกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ศึกษานี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานน่าจะภาคภูมิใจอย่างมากที่พวกเราได้เกิดมาพบได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพ่อแม่ผูบายอาจารย์ท่านพานาประพฤติปฏิบัติ จนท่านกระดูกของท่านไตกกลายในเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเพรานั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินไดฟังในวันนี้เบื้องต้นผมระยกเป็นพุทธภาสีว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันติบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ลาของพวกเราที่พวกเรามาทําบุญลําลึศถึงวันนี้เป็นปู่ชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรอูชาอย่างยิ่งที่ท่านในเทเจตนาว่าการให้ปแก่พวกเราได้เป็นคู่เป็นคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมรู้จักบาปปืนคุณโทษรู้จักศีลสมาธิปัญญาเนี่ที่หลวงปู่ได้แนะนําสั่งสอนพวกเราถือว่าเป็นผู้มีเป็นปูภพากาลี บุคคลผู้มีอุปการะพวกเรามาคราวนี้ต่มาแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงปูง่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเตรมมาเคารพคารวะในองค์หลวงปู่ในคราวนี้ด้วยบุญบา ร, รมีขององค์ปู่คุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความสบายใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้พวกเราสําเร็จ สมความงุ้มมากปรารถนาทุกประการเถิด